สวัสดีครับเพื่อนสาธรรมิกที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นเอกทุกๆท่านวันนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับพระวินัยตออ่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัดต่างๆของมานตะจาริกวัดเ อ, อเราก็ได้ศึกษามาจนถึงจบครบทั้งสิบวัดเดีวยวกันตั้งทั้งสิบหมวดเดียกัน เมื่อภิกษุผู้ประพฤติมานัตเดียกว่ามานัตตาจาริกะได้ประพฤติครบบริบูรณ์ตามพระวินัยแล้วก็ได้ถือว่าเป็นอภารนารโหซึ่งแปลว่าผู้ควรแก่อภานก็เพิ่งอภานในสงส์วีสติวัตคือยี่สิบรูปขึ้นไปแต่ว่าในขณะที่ยังไม่ให้อภานคือสงส์ยังไม่ให้อภานภา น, นั้นก็จะต้องรักษาวัดอยู่ คือต้องประพฤติวัดอยู่นั่นเองแต่ว่ามีอยู่ยกเว้นข้อที่เกี่ยวกับการบอกวัดไม่ต้องบอกก็ได้นะ ย, ยกข้อบอกวัดทุกข้อแล้วก็จะไปข้างไหนเนี่ยจะมีพิสูจนปกติไปด้วยรูปหนึ่งก็พอหรือจะไม่มีก็ได้เพราะว่าได้ประพฤติมาครบแล้วนะไม่ไม่ไม่เป็นเหตุให้เสียหายอะไรแต่ถ้าหากว่า จะต้องไปจากอาวาสที่ประพฤติมานัดนั้นเพื่อขออาพารในอาวาสอื่นอย่างนี้ท่านกล่าวว่าพึงเก็บวัดก่อนแล้วไปทันไปถึงแล้วพึงสมาทานขึ้นวัดแล้วก็ขออ่านทีเดียวไม่ต้องบอกอีกก็ได้แต่ที่ใช้กันมาในใช้กันมาทุกวันเนี่ยเราเใช้กันมาว่าทำตนเหมือนกับอย่างประพฤติมานัดอยู่ ฉันเก็บมานัดมาแล้วเนี่ยไปถึงอาวาสที่ตนจากอภารก็ขึ้นมานับใหม่แล้วก็บอกบอกแล้วก็ขออภารในลำดับนั้นพิสุรูปหนึ่งพึงสวดประกาศสงอภารพิสุนั้นด้วยยยติจตุตะก ร, รมวาจาเมื่อจบอนุสาวนาครั้งที่สามพิสุนั้นได้ชื่อว่าอภารนิโตแปลว่ า, เ, าเป็นอันสงอภานแล้วเป็นผู้ออกจากครุกาบัตนั้นแล้ว กลับเป็นปักตระพิสุก ต, ตามเดิมเรื่องเอของการเก็บวัดแล้วไปขออภารในที่อื่นหรือขอมนัตในที่อื่นนี่ก็เอเราปฏิบัติตามอัตตกฐานในคือเมื่อไปถึงแล้วก็สมาทานสมาทานแล้วก็บอกบอกแล้วก็ขอเอขอถ้าเป็นมานัตก็ขอมานัตถ้าเป็นอภานก็ขออภานแต่ในบาลีนั้นเอ ไม่ต้องบอกอีกก็ได้เป็นแต่เพียงว่าสมาทานขึ้นแล้วก็ขึ้นวัดแล้วก็บอกแล้วก็ขอทันทีนั่นจะขอเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นเหตุให้เสียหายอะไรเพราะว่าวัดนั้นได้ปฏิบัติกันมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว <c oughs> ทุกประการในทีนี้ก็มา ก, กล่าวถึงอุฒิธธานวิธีสําหรับอาบัติที่ปกปิดคืออาบัติสังฆาติเศษที่ปกปิดอาภิสุต้องอาบัติสังฆาติเศษแล้ว จงใจปกปิดไว้สิ้นวันเท่าไรพึ่งประพฤติปริวาสสิ้นวันเท่านั้นก่อนแล้วจึงประพฤติมานัดตามระเบียบเป็นผู้มีมานัดอันประพฤติแล้วจึงขออภ า, านต่อสองวีสติวาปปา่างลักษณะปกปิดอาบัตินั้นอย่างไรลักษณะปกปิดอาบัติซึ่งกล่าวในอันจตรกษาอาจารย์แสดงไว้สิบประการ <c oughs> จัดเป็นคู่ได้ห้าคู่ ห้าคู่นั้นก็คือหนึ่งเป็นอบัตดและก็รู้ว่าเป็นอบัตสองเป็นปกกาตาและก็รู้ว่าเป็นปกกาตาสาไม่มีอันตรายและก็รู้ว่าไม่มีอันตรายสี่อาจอยู่และก็รู้ว่าอาจอยู่ห้าใครจะปิดและก็ปิดไว้อความหมายของลักษณะที่ปิดอบัตดนั้นท่านแสดงไว้ในอัจฉริยาอย่างนี้ คือหนึ่งพิสูร่วงอวบใดอวบนั้นเป็นครูกาบัตคืออวบสังกาทิเศษเธอก็รู้อยู่ว่าเป็นครูกาบัตถ้ายังสงสัยไม่แน่ใจยังไม่เข้าลักษณะต่อเมื่อสิ้นสงสัยจึงเข้าลักษณะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพิสูจต้องอวบสังคาทิเศษเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเป็นอวบสังกาทิเศษ เนี่ยแล้วก็ไม่บอกใครนั่นชื่อว่าปิดแต่ว่าถ้าต้องอวัตตังการิเศสแล้วสงสัยสงสัยว่าเป็นอบัตตอย่างอื่นเช่นสงสัยว่าเป็นอบัตตทุรจัยสงสัยว่าเป็นอวัตตป่าจิตตีสงสัยว่าเป็นอวัตต์ปายเทสนียะสงสัยว่าเป็นอวัตต์ทุกฏสงสัยว่าเป็นอวัตตทุภาสิทธแล้วก็ไม่บอกถ้าสงสัยอย่างนี้เอไม่จัดเป็นการปกปิดหรือ ต้องอว บ, บตั้งการเกษตร <c oughs> แต่เข้าใจว่าเป็นอว บ, บถูุลึกใจหรือต้องอว บ, บปัญ จ, จิติหรือว่าเป็นอว บ, บปัจจิจติอย่างเงี้ยก็ไปแสดงอา บ, บนั้นการแสดงก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันแสดงและก็ไม่ชื่อว่าปกปิดเหมือนกันเพราะเป็นการเข้าใจอย่างอื่นเนี่ยนี่เป็นเป็นการเข้าใจอย่างอื่นไปนั้นไม่เข้าลักษ้างการปกปิด ลักษณะนั้นก็คือว่ารู้แน่ชัดเลยว่าเป็นอาบัตินั้นและก็ไม่บอกไม่บอกใครนั้นคือปกปินและลักษณะคู่ที่สองว่าเธอเป็นปกัตตตาไม่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมและก็รู้ตัวอยู่ว่าเป็นปกัตตตาอย่างนี้เข้าลักษณะอีกสองถ้าถูกสงลงอุเคปนิยกรรมไม่ปรารินาอยู่ก็ไม่มีโอกาสจะบอกแกพิสูจทั้งหลาย ก็ยังไม่เข้าลักษณะนะ ย, ยังไม่เข้าลักษณะถ้าหากว่าในขณะที่ต้องนั้นถูกสงโลงโอเคพฤติกรรมไม่ให้ครบด้วยอย่างเงี้ยจะไปบอกส่งก็บอกไม่ได้ก็ไม่เชื่อปกปิดนะแต่ถ้าเป็นพิสูจนปกติรรมดาเนี่ยถ้าต้องแล้วก็สามารถที่จะบอกใครๆได้อย่างเนี้ยเป็นปกาศและก็รู้ว่าเป็นประกาศแล้วไม่บอกใครเลยนั่นก็คือเข้าลักษณะประการที่สองข้อที่สาม ไม่มีอันตรายไอนะถ้าไม่มีอันตรายที่ว่าไม่มีอันตรายแล้วก็รู้ว่าไม่มีอันตรายเนี่ยคือถ้าไม่มีอันตรายสิบอย่างดังกล่าวในการที่สิบเจ็ดเนี่ยตอนอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็รู้อยู่ว่าไม่มีอันตรายก็เข้าลักษณะอีกในลักษณะข้อที่สองอ่าลักษณะอีกสองแต่มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ไม่บอกพ้นคืนไปก็ไม่ آ. ไม่เข้าลักษณะเขาหมายว่า ไม่มีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะอันตรายก็ได้กล่าวในการที่สิบเจ็ดเช่นเรื่องอุโบสถซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่ารายจนฝ่ายน้ําคนผีสังมาอันเน่ยถ้ามีอันตรายอย่างนั้นไปบอกไม่ได้อันนั้นก็ไม่เชื่อปกปิดเพราะไม่เข้าลักษณะแต่นี้อันตรายอย่างนั้นเนี่ยไม่มีนะอันตรายอย่างนั้นไม่มีก็รู้อยู่ไม่มีอันตรายไม่บอกใครนั่นคือเข้าลักษณะใงการปกปิดข้อที่สี่ ถ้าเธออาจอยู่เช่นไม่เจ็บพอจะไปบอกได้ทางที่จะไปด้วยเรือเรือก็มีภิกษุเป็นสภาพการที่ควรได้รับบอกก็มีอยู่ในถิ่นพอที่จะไปถึงในวันนั้นและก็ภิกษุนั้นก็ก็รู้ว่าอาจอยู่อาชันนี้เข้าลักษณะอีกสองถ้าเจ็บมีกําลังไม่พอในการที่จะเดินทางไปถึงถิ่นของภิกษุที่ใกล้ที่สุด หรือทางที่จะไปด้วยเรือเช่นเกาะไม่มีเรือหรือทางไปจะต้องข้ามวันเช่นนี้ก็ไม่เข้าลักษณะนั้นถ้าหากว่าอาจอยู่คืออาจจะไปได้แต่ไม่ไปนั่นคือเข้าลักษณะแต่ถ้ า, ากเกิดอาเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยกําลังไม่มีทางที่จะไปด้วยเรือเรือก็ไม่มีทางที่จะไปด้วยรถรถก็ไม่มีเพราะอยู่ไกลามากอ่าเมื่อไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ไป วิสุที่พอจะบอกได้อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็มีอไปนึกว่าแมา้เป็นอุปัชยะหรือเป็นอา จ, จารย์จะไปบอกก็ครูอา จ, จารย์จะว่าครูอุปัชยะจะว่าหรือถ้าเป็นอุปัชายะจะไปบอกสัตธิทีหาฤิ์อันเตวสิกเขาอายอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าไปบอกเมื่อกล้าไม่กล้าไปบอกปกปิดก็นั่นแหละชื่อว่าปกปิดนะไม่บอกใครเข้าลักษณะแล้วแล้วก็คู่ที่ห้าในเมื่อพร้อมในลักษณะทั้งแปดข้างต้นแล้ว นาค่ายจะปิดแล้วทอดทุรเสียปิดไว้ให้ข้ามวันกําหนดด้วยอรุณขึ้นเช่นนี้ครบลักษณะสิบเป็นอันปิดแท้แม้ทําในใจว่าจะปกปิดไว้ก่อนแต่ได้บอกแกพิสูจน์ในคืนนั้นเองยังไม่พ้นอยังไม่ข้ามวันก็เป็นอันไม่ปิดเหมือนกันนั้นเอหมายก็ว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจจะปิดแหละแต่พ อ, อยังไม่พ้นคืนไปก็กลับใจบอก อันนี้ไม่ใช่ว่าปิดนะเพราะว่าตั้งใจจะปิดแต่นี้เกิดไม่ปิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นอนเราไม่ปิดนี่ลักษณะแห่งการปิดอัปบาทท่านจัดไว้ห้าคู่นะสิบอย่างในการ น, นั้นการที่จะเป็นการปกปิดอัปบาทไว้แค่ไหนอย่างไรก็ต้องพิจารณาในลักษณะทั้งสิบประการนั้นถ้าหากว่าพิจารณาแล้วในลักษณะทั้งสิบประการนี้อยู่ในลักษณะที่ไม่แน่ใจหรือเกิดความสงสัยอันนั้นก็ เป็นไปให้การประพฤติอุวัานวิทีนั้นก็ต้องเออ่กําหนดอยู่ด้วยการประพฤติปริวาสชื่อว่าจุลสุตันต์ปริวาสเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจอถ้าแน่ใจแล้วก็จะต้องหาอยู่ปริวาสที่มีชื่อให้เหมาะสมกับการปกปิดนั้นๆอย่างไรเนี่ยพภิกษุควรที่จะได้รับบอกและไม่ควรได้รับบอกนั้นอย่างไรหมายความว่ารับบอกเกี่ยวกับการที่ เ, เมื่อเราต้องอบัตงการิเศษนั้นพิสูุ์เช่นไรคนที่จะบอกควรเช่นไรไม่ควรที่จะบอกนั่นเองอท่านบอกว่าพิสูจน์ผู้จะรับบอกนั้นกำหนดเอาแต่เป็นสมาณสังวาสแห่งกันและกันไม่นิยมว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยมีพอจะบอกได้แต่ไม่บอกเป็นอันปกปิดความกระดาษหรือกรง เป็นอุปัชฌายะหรือเป็นอาจารย์เป็นสัตว์ที่หาเล็กหรือเป็นอันตราสิ่แล้วไม่กล้าบอกไม่เป็นข้อแก้ตัวพิสุนานาสังวาสและพิสุต้องหรือต้องสงรองอุเฉเนกกรรมนั้นไม่ใช่ผู้ควรได้รับบอกเนียฉะนั้นผู้ที่จะได้รับบอกนั้นก็ต้องเป็นพิสุที่เป็นสมานะสังวาสคือมีสังวาสเสมอกัน จะเป็นอุปชายะจะเป็นอาจารย์จะเป็นสัตว์ที่หารังอันเทวสิกอะไรก็แล้วแต่นั้นควรรับบอกส่วนพิสูจนที่ไม่ควรรํา บ, บอกก็คือพิสูจนที่เป็นนาน า, นาสังวาสคือเป็นผู้ที่เรียกว่าวิสภาพกันหรือที่ถูกสองหลงเข็มในกรรมนั้นไม่ควรที่จะบอกพิสูจเช่นนั้นนะฮะอภิวาสนั้นท่านแสดงว่าอย่างไรอปริวาสนั้นถ้าวาดตามพระไตรปิฎกแล้วมีสี แต่ตามหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกนี้ท่านแสดงไว้แค่สามอย่างก็เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็จะกล่าวแค่สามเท่านั้นเองปริวาสมีสามชนิดก็คือหนึ่งปฏิชนะปริวาสแต่สำหรับอาบัติที่ปิดมีกำหนดนับวันได้เป็นจำนวนเดียวด้วยนะ 2. สองสมโทานปริวาส สมุทรปริวาสแยกออกเป็นสามคือ1อึงอทานสมทนุทนสำหรับอาบัตที่ปิดนั้นมากกว่าจำนวนเดียวมีวันปกปิดไว้เสมอกานเช่นต้องอาบัตสองคราวปิดไว้คราวละห้าวันถ้าเช่นนี้ก็ขอปริวาสประมวลอาบัตและราตรีเข้าโดยกันเพื่ออยู่เพียงห้าวันเท่านั้นไม่บวกหนะ้าสองเป็นสิบแอยู่แค่ห้าวันเท่านั้นเองสองอาาสมทาุทน สำหรับอับัตบที่ปิดนั้นอ่มากกว่าจํานวนเดียวมีวันโปร่ปิดไม่เท่ากันนะเช่นเอต้องอบับดับสามคราวคราวหนึ่งปิดไว้สามวันคราวหนึ่งปิดไว้ห้าวันคราวหนึ่งปิดไว้เจ็ดวันเช่นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วท่านให้อขอปริวาดระมูอบัตบและวันเข้าด้วยกันแล้วอยู่ปริวาเท่าจํานวนที่ปิดไว้ครั้งมากที่สุดในอุทาหรณ์นี้ก็ เจ็ดวันเป็นเกณฑ์อยูเจ็ดวันไม่บวกสามบวกค่าเข้าไปอยู่วันที่ปกปิดเป็นมากที่สุดเป็นเกณฑนะ์สามาาส ม, มาาิสกะสมุทฐานอสําหรับเอ า, อาบัติที่ต้องนั้นอคืออาบัติที่ปิดนะที่ต้องแล้วก็ปกปิ ด, ดวันั้นเนี่ยต่างวัตถุกันเช่นต้องด้วยครั้งที่หนึ่งต้องด้วยสังเจตในการสุขวิสัตถิก็มีต้องด้วยกายสังสขะก็มีต้องด้วย ทุถุนลวาจาก็มีมีวันปกปิดไว้เสมอกันก็มีไม่เสมอกันก็มีครา อ, อนี้อาจจะฟังยากหน่อยคำว่าสันเจตนิกาสุขวิสัตถินั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงสังขาทิเศษสิขาบทที่หนึ่งซึ่งได้กล่าวว่าพิษุแกล้งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนต้องสังขาทิเศษเนีแล้วว่ากายสังสาขะาล่ะกายสังสาขะในหมายความว่า มีความกําหนักอยู่จับต้องกายคําว่าจับต้องกายหมายถึงจับต้องกายหญิงและก็ต้องด้วยทุตุนละวาจาคําว่าทุตุนละวาจาในที่นี้ก็คืออพูดเกี่ยวหญิงนะเนี่ยพูดเกี่ยวหญิงต้องสังกาทิเศษอย่างนี้นั้นถ้าหากว่าต้องด้วยวัตถุต่างกัน ครั้งหนึ่งต้องด้วยสันเจตริกาครั้งสองต้องด้วยไกยสังส ข, ขารครั้งสามต้องด้วยทุตุลนาวาจาอย่างนี้ซึ่งวัตถุที่ต้องนั้นต่างกันอย่างนี้ท่านให้ขอปริวัติชื่อว่ามิสกะสมุทานนะประมวลอาบัตเข้าด้วยกันแล้วก็อยู่ปริวาติตามสมควรนี่เป็นเป็นสมุทฐานปริวาติเนี่ยแล้วก็ปริวาติประการที่สามก็คือสุทันตะปริวาติ ท่านาริวาสนั้นสําหรับอวบัติที่ต้องแล้วปิดไว้หลายคราวจนจําจํานวนอวบัติและจํานวนราตีที่ปิดนั้นไม่ได้เลยหรือจําได้บ้างแต่ว่าบางจํานวนเช่นนี้อท่านให้ขอประมวลจํานวนอวบัติและจํานวนราตีเข้าด้วยกันแล้วก็อยู่ปริวาสจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์อสุดท่านตถาภริวาสนี้ท่านจําแยกออกเป็นสก็คือเล่งจูนะ่าสุดท่านตถาริวาส สำหรับจำนวนอาบัตและจำนวนราตรีที่พอจะจําได้บ้างสองมหาสุทันตปริวาสสำหรับจำนวนอาบัตและราตรีที่จําไม่ได้เลยทีเดียวะจะข้อนี้จะทำยังไงอูุลสุทันตปริวาสที่บอกว่าจําแนกแจกออกมาเป็นสองนี้จะกาหนดได้อย่างไร เรื่องจู้และสุทธิธรปริวัตินั้นก็พอจะกําหนดได้บ้างเพราะว่าได้กล่าวว่าจําได้บ้างหรือจําำอะไรบ้างอันนี้เป็นเหตุให้เ อ, อมีภิกษุชอบหรือว่านิยมไปปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่แน่ใจในการที่เราประพฤติพรรมจันทร์เนี่ยเพราะว่าต้องอยู่กับภาวะการต่างๆของโลก ออ่ก็บางทีอาจจะมีเจตนาหรือมีความยินดีมีความพอใจในเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเหตุให้ต้องครุกาบัติที่เป็นสเตจิชั่นหรืออ บ, บัตสังคาริเศสนี้อมบัตตังคาริเศสนั้นถ้าหากว่าอ่าเมื่อละเมิดหรือรังเผลอไปกระทําความผิดต้องอ บ, บัตตังคาริเศสแล้วจะแก้ไขด้วยวิธีอื่นนั้นไม่ได้นอกจากการประพฤติมิถานนวิธีเท่านั้นฉะนั้นก็ ภิกษุส่วนใหญ่เป็นปุถุชนนั้นก็อาจจะมีการพลั้งเผือหรือละเมิดประพฤติผิดพุทธบัญญัติไปบ้างก็เพื่อความไม่ประมาทก็จึงมีการจัดให้อยู่ปริวัฒน์กรรมเพื่อชําระศีลเขาตนให้บริสุทธิ์อยู่ทั่วๆไปใ น, นการที่พระสงฆ์ได้ไปอยู่ปริวัฒน์ทั่วๆไปนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องดีที่ควรสนับสนุนเพราะว่าคนที่รู้สึกตัวว่าอาจจะไม่บริสุทธิ์หรือ เพื่อความแน่ใจแห่งการประพฤติธรหมจรรย์ก็ไปชำระศีลของตนให้บิสุท์ประพฤติวุฒิฐานวิธีก็เป็นการดีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรคนที่รู้ตัวว่าไม่ดีแล้วแก้ไขดีกว่าคนที่รู้ตัวแล้วไม่ไม่แก้ไขอะไรเลยนั้นที่อยู่ทั่วไปก็อยู่ปริวาสแบบอยู่ลักษณะปริวาสเพราะในปริวาสในข้อนี้ก็ท่านได้กล่าวเลยว่าอาปฏิบริยันตังเอกัดจังชาามิ เอกัดจังนัชรามิซึ่งแปลว่าอวบบางอย่างข้าพรเจ้ารู้บางอย่างข้าพระเจ้าไม่รู้รัตติปริยยันตังเอกัดจังชารามิเอกัดจังนัชรามิราตรีบางอย่างข้าพระเจ้าก็รู้บางอย่างข้าพเจ้าก็ไม่รู้อปฏิปริยันตังเอกัดจังสราามิเอกัดจังนัสรามิอวบบางอย่างข้าพรเจ้าระลึกได้บางอย่างข้าพรเจ้าระลึกไม่ได้รัตติปริยันตังเอกัดจังสราามิเอกัดจังนัสรามิราตรีบางอย่างข้าพระเจ้าระลึกได้บางอย่างก็ระลึกไม่ได้ อาปาติบริยันเตเอกะเจเวมัติโกเอกะเจนิเพมัติโกก็แปลความว่าอาบัตบางอย่างข้าพรเจ้าสงสัยบางอย่างข้าพระเจ้ากไม่ได้สงสัยราติบริยันเตเอกะเจเวมัติโกเอกะเจนิเพมัติโกในราตรีบางอย่างข้าพระเจ้าสงสัยบางอย่างข้าพเจ้าไม่สงสัยรวมความแล้วว่ารู้หรือว่าระลึกรู้บ้างไม่รู้บ้างระลึกได้บ้างไม่ระลึกได้บ้างหรือสงสัยไม่สงสัยบ้างรวมความอย่างนี้ก็ เพื่อความแน่ใจก็อยู่ปริวตัตชนิดนี้จะอยู่สักกี่วันชนิดนี้ไม่ได้กําหนดแน่นอนว่าจะต้องอยู่เท่าไหร่ท่านบอกว่าอยู่ไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์แค่ไหนก็ที่จะดให้อยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็มักจะนิยมอยู่ปริวตัตสามวันอีกมานัดอีกหกวันก็รวมเป็นเก้าวันในะรวมเป็นเก้าวันทั่วไปที่จะดให้อยู่กันในะเรียกว่าอยู่จยู่สุธนต์ตาปริวาตร ส่วนสุท่นตับรูว้ว่าประเภทที่สองก็คือมหาสุดท่านตรัสริ้ว่าเส้นข้อนีอ้ท่านได้กล่าวว่าได้แก่อวบตรัริว่าที่เกี่ยวกับอวบที่ต้องนั้นไม่สามารถที่จะรู้วันปกปิดหรือราตรีที่ปกปิดนั้นเท่าไหร่อับที่ต้องเท่าไหร่ก็ไม่รู้ราตรีที่ปกปิดไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจำไม่ได้เลยจะไม่ได้เลยทั้งอาบดทั้งราตรี เมื่อจำไม่ได้เลยอย่างเนี้จะทำยังไงได้กล่าวไว้ใน อ, อ, อัตตะขาที่อ ธ, ธิบายไว้ว่าถ้าอาวัตจำไม่ได้เลยนั้นให้คำนวณดูวันที่อุปสมบทมาวันที่อุปสมบทมาเช่นยกตัวอย่างว่าบวชมาแล้วสี 4, ่พรรษาสี่พรรษานั้นถ้านในคำวนวณนับถอยหลังไป ตั้งแต่พรรษาต้นมาเนี่ยคํานวณดูว่าพรรษาต้นมาพรรษาหนึ่งเนี่ยมีที่ไหนมีอะไรเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไรอาจจะเป็นเหตุต้องอาบัตินี้หรือไม่ ม, มาจนถึงระหว่างสองพรรษาไม่เห็นว่าพิจารณาว่าเห็นก่อให้มาพิจารณาย้อนตั้งแต่พรรษาปัจจุบันถอยไปอ่าพรรษาที่เท่านั้นพรรษาที่เท่านั้นหรือวันที่เท่านั้นเดือนที่เท่านั้นอะไรเนี่ยเคยไปทําอะไรอย่างไรที่ไหนหรือเปล่าถ้า เห็นว่าในระหว่างสองปีนี้แหละเป็นปีที่เราสงสัยก็ต้องอยู่ปฏิวาติสองปีต้องอยู่ปฏิวัติสองปีเพราะว่าเราสงสัยถึงสองปีถ้าเกิดว่าสงสัยถึงสี่ปีอย่างนี้ในแตบวชมาเลยเนี่ยเราสงสัยว่าจะไม่บริสุทธิ์เลยก็จะต้องอยู่ปริวาติสี่ปีต้องอยู่ปริวาติสี่ปีจึงจะขึ้นมานัดได้ ถ้าจะมีปัญหาถามว่าถ้าเกิดมีพรรษามากกว่านั้นเลยเช mm. ่นใลอันตกธาท่านกล่าวว่าภิกษุมีพรรษาหกสิบแล้วก็สงสัยทั้งหกสิบเนี่ยสงสัยทั้งหกสิบพรรษาจะทํำยังไงเพราะภิกษุมีพรรษาหกสิบอายุก็ต้องแปดสิบเป็นอย่างน้อยถ้าจะอยู่ปริวัฒน์หกสิบพรษ 60, พรษาเนี่ยก็จะต้องอายุก็ต้องเกือบเกือบสองร้อยเนี่ยเกือบสองร้อยคือร้อยกว่า คนเราอายุไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอเมื่อสงสัยถึงหกสิบปันศาเช่นนี้อัตตะกะทาจารย์ท่านบอกว่าเป็นอตัตยิ่งกิจเฉาคลคือบุคคลที่แก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขไมันแล้วเพราะมันแก้ไม่ได้เนี่ยถึงหกสิบปันศานั้นก็มหาุนตามปฏิวาิเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอยู่ให้นานตามความสงสัยวันนานเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ไปจนกว่า จะเห็นว่าบริสุทธเพียงแค่ไหนแล้วก็จึงขึ้นมานัดต่อสงนั้นปริวัติอย่างใรเหมอะแก่อบาบัตที่ปกปิดไว้ก็พึงขอปริวัติอย่างนั้นไหนสำนักสงในลำดับแห่งพิสูจนผู้ชนะสามารถก็พึงสวดประกาศสงเพื่อให้ปริวัติแก่พิสูจน์นั้นตามชนิดที่ข อ, อด้วยยติจตุตกรรมอาว่าจา่าเมื่อจบอนุสาวนาครั้งที่สามแล้วพิสูจนั้นก็เป็นอันว่า ได้ชื่อว่าปาริวาสิโกแปลว่าผู้อยู่ปริวาปริวาสิกาภิสษุนั้นก็เพิ่งบอกแก่สงฆ์ถึงการที่ตนประพฤติปริวาสอยู่นั้นถ้าจักไม่อยู่ในอาวาสนั้นก็เพิ่งเก็บปริวาสในสำนักภิกษุรูปหนึ่งหรือในสงฆ์ก็ได้พอไปถึงอาวาสหรือที่ไม่ใช่อาวาสที่จะอยู่แล้วก็เพิ่งสมาทานปริวาสเพิงสมาทานปริวาส อาแต่ตามวิธีที่ใช้กันมาโดยอัตกระฐานไหนอาเมื่อส่งให้ปริวาสแล้วก็พึงสมาทานปริวาสต่อหน้าส่งนะเมื่อสมาทานแล้วก็พึงบอกบอกแล้วก็เก็บไปวาสนี่คือวิธีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่งปฏิบัติตามในอัตกถาอาคําเก็บวัดได้เก็บปริวาสตามในบาลีท่านกล่าวไว้อย่างนี้อาปริวาสังลิก็บปาเมฆแปลว่าข้าพเจ้าเก็บปริวาส หรือวัดตังได้เก็่ปาฏิแปลว่าข้าพเจ้าเก็บวัดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันเก็บแล้วอคําเก็บวัดกับอเออก็บคําเก็บวัดหรือเก็บปริวาต์ตามในอัตตากถาเออีกอย่างหนึ่งคําเก็บปริวาต ท, ที่ใช้กันตามในอัตตากถาในนั้นท่านกล่าวควบกันทั้งสองอยา่างคือเก็บวัดก่อนแล้วก็จึงเก็บอปริวาต ท, ทีหลังเอกล่าวดังนี้ วัดตังนี่ก็บปามิปริวาสังนี่ก็บปามิว่าสามครั้งสามโหนแปลว่าข้าพเจ้าเก็บวัดข้าพเจ้าเก็บปริวาสนี่ทีนี้อต่อไปก็คําสมาทานคําสมาทานปริวาสและก็คําสมาทานวัดตามในบาลีก่อนอท่านกล่าวว่าถ้าจะกล่าวคําเก็บปริวาสเก็บคำสมาทานปริวาสกับสมาทานวัด อก็กล่าวคําสมาทานดังนี้ปริวาสังสมาธิามิแปลว่าข้าพเจ้าขึ้นปริวาสหรือวัดตังสมาธิามิแปลว่าข้าพเจ้าขึ้นวัดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ว่าเขาสมาทานปริวาสและสมาทานวัดตามในอรตถาก็ให้ว่าควบกันไปทั้งสองคือสมาทานปริวาสก่อนแล้วก็สมาทานวัดขึ้นที่หลังว่าปริวาสังสมาธิามิวัดตังสมาธิามิว่าสามหน แล้วว่าข้าพเจ้าสมาทานขึ้นปริวาข้าพเจ้าสมาทานขึ้นวะเนี่ย เ, เรื่องนี้ก็ อ, อให้ให้กล่าวตามที่เราได้ศึกษาในเรื่องมานับมาแล้วก็หมายความว่าเมื่อเราเก็บวัดไปแล้วจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะไป เ, เมื่อไปถึงวัดใดวัดหนึ่งที่เราจะรักษาวัดคือจะปฏิบัติที่นั่นก็พึงไปสมาทานขึ้นวัดเนี่ย สมาทานขึ้นวัดสมาทานแล้วก็บอกบอกแล้วก็อยู่รักษาวัดในที่นั้นๆเ อ, อสําหรับ <c oughs> รติเฉตเหตุให้ขาด ต, ตรี <c oughs> คือนับรตรีไม่ได้ของปริว่านั้น อ, อท่านกล่าวว่ามีเพียงแค่สามเท่านั้นเองก็สามก็ 3, มีสามอย่างก็คือหนึ่งสหาวัโสโอยู่ร่วมอยู่ร่วมชายคาคือที่มุงที่บางที่มุองอันเดียว ก, กันกับประกาต่าภิกษุข้อนี้ก็เหมือนกับในปริว่าในมานัต สองวิปวัสโอยู่ปราคืออยู่ในอาวาตก็ดีหรือถิ่นที่ให้อาวาตก็ดีที่ตาจากปกตะพิกษุปริวาสมีปักตาพิสุอยู่เป็นเพื่อนออยู่เป็นเพื่อนแม้เพียงรูปเดียวก็ใช้ได้แต่มานัตนั้นต้องมีสงส่วนปริวาสมีพิสุปกติอยู่เอเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งรูปก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่มีเลยนั่นคือเป็นวิปวัสโข้อสามอนาโรจนา ไม่บอกคือไม่บอกถึงการที่ตนประพฤติปริวาสอยู่นั้นแก่ปัจษตาพิสุพิสุใดยังไม่ไดรับบอกอก็เพึ่งบอกแก่พิสุนั้นไม่ต้องบอกทุกวันเหมือนกับพนัะบอกคราวหนึ่งแล้วไม่ต้องบอกอีกตลอดการที่ยังอยู่ปริวาสในอาวาสหรือในถิ่นพิอาวาสนั้นแต่ถึงวันอุโสถถึงวันปวารณาต้องบอกในท้ายอุโสถในท้ายปวารณา และพิสูุใดได้รับบอกแล้วออกจากอาวาาหรืออนาวานั้นไปที่อื่นค้างคืนกลับมาใหม่ก็ต้องบอกอีกนั้นก็การบอกของมนุษกับบอกของปริวาสจะต่างกันคือมนุษต้องบอกทุกวันส่วนปริวาสนั้นบอกครั้งเดียวก็อยู่ได้ตลอดในการที่ตนกาลังที่ตนประพฤติอยู่นั้นเนี่ยเว้นไว้ตำหีับการตุกขามาหรือ พิสูจน์ที่เราบอกนั้นบอกได้ก็ออกไปเสียที่อื่นขั้นคืนกลับมาใหม่ก็ต้องบอกอีกอย่างนี้นี่ก็เป็นปฏิเชตของเ อ, อปฏิวตัตก็ต้องรักษาเพื่อจะให้การประพฤตินั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็จะต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดปฏิเชตเป็นอันขาดถ้าเป็นเนตปฏิเชตก็จะนับราติไม่ได้เหมือนกันเอาละครวันนี้เ อ, อ เ, ออเออวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ ก็ได้ศึกษาในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธมิกทุกๆท่านเถิดสวัสดีครับเพื่อนสาธมิกทุกทุโกโที่กำลังศึกษาวิชาพระวินัยนิธรมชั้นเอกวันนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอุทานวิธีต่อแต่คราวที่แล้วเราก็ได้ศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของปริวาสกรรมการประพฤติปริวาสนั้นอย่างไรก็กล่าวมาถึงเรื่องของรัติเชิของปริวาสวา่ว า, ว า, วามีสามประการก็คือสหาวาโัโสอยู่ร่วมในที่มุมเดียวกันกับปกกาภิกษุเวปวาโสอยู่ปราศจากปกกาตภิกษุและก็อนารจนาไม่บอกเึ็นการที่ตนประพฤติปริวาสนั้น ตามประการนี้เป็นเหตุให้เกิดตัณฑเฉดคือขาดตาตรีนับปาฏ ร, รีไม่ได้แต่ทีนีเ้เราก็มาพูดถึงต่อว่ า, เ, าเมื่อภิกษุนั้นได้อถ้าขอปริวาส ต, ต่อสงสงให้ปริวาสแล้วก็จะต้องมีการประพฤติวัดปฏิบัติตามวัดเรียกว่าปริวาสิกวัตนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ และก็มีพุทธบัญญัติคือข้อที่ทรงห้ามปริวาสิกะพิสูอไม่ให้ยินดีมีอภิวาสเป็นต้นแห่งปรตตาพิสูุแล้วก็มีพุทธานุญาตให้ทำสามีจิกรรมอย่างนั้นได้เฉพาะคู่และให้ อ, อุโบโสถรระวารณาได้กับสงเป็นต้นเนี่ยเช่นเดียวกับที่ได้ทรงห้ามไว้ใน หรือทรงห้ามสงอนุญาตไว้ในมานัสตาจาริกาภิสุก็คิดว่าเพื่อนสาธมิกที่ได้ศึกษามาในเรื่องนั้นในตอนปฏมนัสแล้วก็คงจะเข้าใจว่าห้ามอย่างไรบ้างวัดสำหรับปฏิวัติภิกษุกที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นก็เช่นเดียวกันกับมานัสตาจาริกาภิสุแต่ก็มีอยู่บางข้อที่แปลกกันอยู่บ้างเช่นการบอกวัดปฏิวาตินั้นไม่ต้องบอกทุกวัน และก็มีภิกษุปากิตาภิกษุอยู่เป็นเพื่อนแม้รูปเดียวก็ไปที่อื่นได้เนะี่ยไม่ต้องไปกับสงก็ได้นะไม่เหมือนมานัสมานัสต้องมีสงไปด้วยแตนะ่ส่วนข้ออื่นนั้นก็เหมือนกับมานสตะจาริกะภิกษุเอ่อมานิตาจาริกวัดทุกประการนั่นก็จะไม่กล่าวซ้าอีกเพราะว่าจะเป็นเหตุให้เสียเวลาภิกษุผู้ อยู่ปริวาตนั้นมีจำนวนวันเป็นกำหนดถ้ารู้สึกขึ้นเรามาว่าจำนวนวันที่ขอและสงให้กำหนดในด่ า, ากาหนดให้นั้นยังย่อนกว่าที่ควรจะเป็นเช่นเมื่อขออาคาสมุทานปริวาสแล้วก็สำคัญว่าอาบัตรที่ปิดไว้นั้นเพียงเกตวันได้ข อ, อสงสงก็ได้ให้กำหนดตามกำหนดนั้นแล้ว อ่าเมื่อกําลังอยู่ปริวา่านึกขึ้นได้ว่าอาบัติที่ปิดนั้นนานที่สุดสิบวันเช่นนี้ไม่ต้องกลับขอปริวา่าตั้งต้นใหม่ขอเพิ่มวันอยู่ให้เต็มจํานวนได้อเช่นอุตหรนี้ก็คือหมายว่าขอเพิ่มอีกสามวันแต่จะอยู่เพิ่มอืเอาตามเ อ, อลําพังไม่ได้ต้องขอเพิ่มจะอยู่เราตามลําพังเพิ่มไม่ได้ต้องขอให้สองสวดเพิ่มให้อสําสหรับ อาสุทันตปริวา อ, อไม่มีกําหนดวันหมายถึงว่าอยู่จุลัสุดทันต์ปริวัติหรือมหาสุดทันตปริวัติก็ตามนั้นไ ม, ไ, มไม่กไม่กําหนดวันก็ฉะนั้นขอคราวเดียวอยู่ตลอดไปจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธ์แค่ไหนก็นแล้วแต่นั้นสําหรับปริวัติเฉพาะเ อ, อเรื่องสุดทันตไม่ต้องขอเพิ่มก็ได้ อ, อคิดจะอยู่ให้มากกว่าก็ได้ น, นการอยู่ปฏิวัติ ก็ควรจะเผื่อวันพร่องเช่นเดียวกับมานัตพภิกษุผู้ออยู่ปริวัติครบกาหนดแล้วเป็นมานัตตะราโหแปลว่าผู้ควรมานัตก็พึ่งขอมานัตกส็สงแในระหว่างที่ยังไม่ได้ประพฤติมานัตยังต้องประพฤติวัดอยู่วัดสำหรับมานัตตารหาภิกษุ อย่างเดียวกันกับวัดสําหรับปริวาสิกาภิกษุแต่จะยกเว้นข้อบอกวัดทุกข้อนะยกเว้นข้อบอกวัดทุกข้อแต่ในบาลีปริวาสิกาคันธกะนั้น่าจุลวัตฉบับสยามคือฉบับของไทยนั้นมีว่าให้บอกวัดด้วยทั้งให้บอกทุกวันส่วนสําหรับอภานารหะภิกษุและก็มูลยัปฏิการณารหะภิกษุไม่มีไม่มีคําว่าบอกวัดส่วนในฉบับ ของเมืองอื่นคือของประเทศอื่นเนี่ยไม่มีทั้งนั้นเลยเห็นว่ามันเกินไปไม่มีคำว่าบอกวัดนะขอน้อนี้ไม่บอกก็ไม่เป็นเหตุให้เกิดรัติเฉดแต่ประการใดเพราะว่าได้อยู่ครบตามกาหนดมาแล้วมณฑลรหัสพิสุผู้จะไปขอมนัสในอาวาดอื่นก็พึงเก็บวัดก่อนครั้นไปถึงอาวาดนั้นแล้วก็พึงสมาทานขึ้นวัด นะสมาทานขึ้นวัดแล้วก็ขอมานัดกรสสงทีเดียวไม่ต้องบอกแต่ว่าที่ใช้กันมาเก็บปริวัดมาแล้วเมื่อถึงสถานที่ที่เราจะประพฤติปฏิบัติก็พึงสมาทานขึ้นวัดเฉพาะหน้าสงแล้วก็ขอมานัดถ้าครุกาบัติที่ต้องแล้วไม่ได้ปิดไว้มีอยู่อีกอพึงประมวลขอมานัดในคราวเดียวกัน ในลำดับนั้นสงฆ์ก็พ ja ึงให้มานัตแก่เธอโดยวิธีอที่ได้กล่าวมาแล้วก็แปลกันแต่กรรมวจาที่จะต้องให้เหมาะแก่เรื่องเท่านั้นเองการประพฤติวุฒามานัตตลอดถึงอพารก็พึงรู้ในดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะมีคํากล่าวในสมุดจยขันธกะในจุลวัตรกล่าว่าพี่สู่สองรูปต้องอาบัดสังขารทิเศตรูปหนึ่งปิด อีกรูปหนึ่งไม่ได้ปิดให้ปริวาสแก่แก่รูปที่ปิดแล้วเมื่อเธออยู่ปริวาสแล้วให้มนัดแก่เธอตั้งสองพร้อมกัน mm. ก็ได้นี่ทีนี้วุฒิานวิธีเอสําหรับอาบัติที่อสําหรับอันตราบัติวุฒิฐานวิธีสําหรับอันตราบัติก็คืออาบัติสังกาติเศษที่ต้องในระหว่างประพฤติอุฒิฐานวิธีท่านกล่าวไว้ดังนี้ ในระหว่างที่กำลังอยู่ปริวาสก็ดีอยู่ปริวาสแล้วเป็นมานัตตารหะก็ดีกำลังประพฤติมานัตอยู่ก็ดีประพฤติมานัตแล้วเป็นอภานาระหะก็ดีสงอย่างไม่ได้สวดอภานเพียงใดตลอดการเพียงนั้นต้องครุกาบัตขึ้นใหม่ <c oughs> คือต้องอ บ, บัตาติเสษปิดไว้ก็ดีไม่ได้ปิดไว้ก็ดีเรียกว่าต้องอันตราบัต จะประพฤติวุฒฐานวิธีเอ่อคือจะประพฤติวุฒิฐานวิธีตามเดิมต่อไปไม่ได้ต้องประพฤติวุฒฐานวิธีนั้นตั้งต้นไปใหม่เรียกว่ามูลยะปฏิกัศนาซึ่งแปลว่าผู้ควรชักเข้าหาอาบตบเดิมแล้วก็พึงขอปริวาสหรือมานัตตามเรื่องที่เป็นมาท่านกล่าวไว้ดังนี้หนึ่งผ้าต้องอันตรบัิไม่ได้ปิดไวในเวลากาลังประพฤต มานัตเพื่อปฏิชันนาบัตรหรือในเวลาประพฤติมานัตแล้วเป็นอภานาระหะพึงขอปฏิกัศนาเมื่อสงสวดปฏิกัรนาแล้วก็พึงขอมานัตเพื่ออันตรบัตนั้นสองถ้าต้องอันตรบัตไม่ได้ปิดไว้ในเวลากําลังอยู่ปริวาตหรือในเวลาอยู่ปริวัาต์แล้วเป็นมานัตตาระหะพึงขอปฏิกัรนา เมื่อสองสวดปฏิการนาแล้วพึงอยู่ปริวาติตั้งต้นใหม่อแล้วก็พึงขอมนัตเพื่ออันตราเพื่ออาบัตเดิมและอันตราบัตประมวลเข้ากันสามถ้าต้องอันตราบัติไม่ได้ปิดไว้ในเวลาอยู่ปริวาติแล้วกําลังประพฤติมนัตอยู่หรือในเวลาประพฤติมนัตแล้วเป็นอภานารหะ พึงขอปฏิการนาเมื่อสองสวดปฏิการนาแล้วไม่ต้องอยู่ปริวาสซ้ำพึงขอมนัตเพื่ออันตราบัตในแบบที่หนึ่งสี่ถ้าต้องอันตราบัตแล้วปิดไว้ในเวลากําลังอยู่ปริวาสหรือเวลาอยู่ปริวาสแล้วเป็นมานัตตาระหะหรือในเวลากําลังประพฤติมนัตอยู่ หรือในเวลาประพฤติมานัดแล้วเป็นอภานะละหัพึงขอปฏิการนาเมื่อสองสวดปฏิการนาแล้วพึงขอสโมโุทานปริว า, าเพื่อประมวลอบัตบคืบ อ, อันตราบัตเข้ากับอบัตบเดิมอภิกษุ ร, รูปหนึ่งก็พึงสวดประกาศสงด้วยยติจตุตกรรมวาจาชักภิกษุดันเข้าหาอวบเดิมให้บริวาเออ่ให้มานัดอ่ะ แกเธอตามเรื่องที่ขอและให้อภ า, าร์เธอเมื่อเธอประพฤติมานัตอาเสร็จแล้ววัดสำหรับอันตราบัตินั้นก็ในเวลาที่สงอย่างไม่ได้ปฏิการนาก็เช่นเดียวกับวัดสำหรับมานัตตารหาพิกษุตั้งแต่สงทรรมปฏิการนาแล้วอยู่ประพฤติปริวาทหรือมานัตเป็นไปตามผนอุตานวิธีนั้ น, น, น ต้องทําให้ถูกระเบียบเนี่ยวุฒาธวิธีนี้ต้องทําให้ถูกระเบียบตั้งแต่ต้นจนอวสานถ้าทําผิดระเบียบในระหว่างก็เป็นการเสียใช้ไม่ได้ต้องทําใหม่ตั้งแต่ต้นอ่าคือตั้งแต่ตอนไม่ถูกนั้นให้ถูกต้องต่อไปจึงจะใช้ได้อทีนี้ภิกษุเอผู้ควรกลับประพฤติวุฒาธวิธีใหม่นั้นอย่างไรท่านบอกว่า อฟิกษูผู้ประพฤติอุฒานวิธีอยู่ยังไม่ทันเสร็จปฏิญญาตนเป็นอนุอนประสัมบันเสียถ้าอุปสมบทขึ้นใหม่ต้องประพฤติวุฒานวิธีต่อให้ครบจํานวนวันที่ค้างอยู่อหมายความว่าในขณะที่กําลังอยู่ประพฤติอุฒานวิธีจะเป็นอยู่ปริวัติกดีหรือเป็นอยู่มนณะก็ตามหรือสองยังให้อาผ่านเพียงใดเนี่ยถ้าเกิด อลาสิกขาไปเป็นอนุพันธ์บัณฑ์คือเป็นคารวาสครั้งกลับมาบวชอีกก็จะต้องเออมีการประพฤติต่อตามวันที่ค้างคืออยู่มาเท่าไรหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ต้องอยู่ต่อเท่าี่ค้างเอาไว้นั้นก็แสดงว่ายังไม่พ้นจากอตบซึ่งออกไปแล้วเมื่อกลับมาบวชใหม่ก็จะต้องอยู่ต่อนยนี่ประการที่หนึ่งอีกประการหนึ่งเขาบอกพิสูน ต, ต้องครุ อาบัตแล้วยังไม่ได้ออกจากอาบัตนั้นสึกเสียเมื่ออุปสมบทใหม่จำจะต้องประพฤติอุตฐานวิธีข้อนี้ก็หมายความว่าต้องอาบัตสังฆาธิเศษแล้วยังไม่ได้ประพฤติอุตฐานวิธีคือยังไม่ได้อยู่กรรมก็ลาสิกขาออกไปเมื่อลาสิกขาออกไปภายหลังคิดจะเข้ามาบวชใหม่เมื่อเข้ามาบวชแล้วก็จะต้องอยู่ประพฤติอุตทานวิธีต่อ อ่าคืออยู่ประพฤติอุทานวิธีเพราะว่าต้องอบัตในคราวบวชก่อนนั้นเมื่อกลับมาบวชใหม่ก็ยังต้องอยู่ปฏิวตัตเรื่อต้องประพฤติอุฒานวิธีจริงจะพนจากอาบัตนั้นได้เน่ยไม่ใช่ว่าศึกไปแล้วจะพ้นไปเลยก็เมื่อกลับมาบวชใหม่ก็จะต้องอยู่อ่าประพฤติประพฤติ ท, ร, ทรมาณตอนเพื่อออกจากอาบัตที่ต้องในคราวก่อนในตอนบวชเป็นพิสุในคราวก่อนสามพิสุเป็นบ้า คือพิสุขอพาสถึงเพอ้อหรือถูกกระสับกสายถึงไม่มีสติสัมชัญญะและพิสุขถูกลงสงฆ์โอเควเวนยกรรมก็เหมือนกันหมายความว่ า, าเมื่อต้องอบัตแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกจากอาัปยังไม่ได้ประพฤติอุฒานวิธีอย่างนี้หรือเพอ้อหรือเป็นกระสับกส่ายยังไม่ได้ออกจากการาไม่ยังไม่ออกจากอาบัตัณหานิเสธเนี่ย อย่างนี้ท่านหายหายเป็นบ้าแล้วหรือหายเพลยแล้วก็ให้ประพฤติพุทธานุวิธีต่ออาจจะฟังยากนิดหน่อยว่าหมายขางว่าข้อนี้หมายของว่าอย่างนี้คือที่สุดต้องอบัติสกาลิเศษก่อนยังไม่เป็นบ้าในะยังไม่เป็นบ้ายังไม่กระสับกระส่ายอ่าเป็นการต้องอบัติแล้วเนียภายหลังนี่กลับมาเป็นบ้าหรือเกิดความกระสับกระส่ายในขณะที่กําลังประพฤติพุทธานุวิธีก็ดี อจะออกในขณะนั้นไม่ได้เพราะว่าพิสูจน์นั้นกําลังเป็นอะไรอยู่ก็ต้องระงับเอาไว้คลั่นหายบ้าหรือหายเพ้อหายอะไรแล้วเนี่ยก็ให้ประพฤติต่อเมื่อกําลังประพฤติอยู่แต่ถ้าหากว่าต้องบัตรงไกลเสร็จแล้วตอนยังไม่เป็นบ้ายังไม่ได้ออกตอนหลังมาเป็นบ้าเมื่อหายบ้าก็ต้องประพฤติภูฏานวิธีจึงจะพ้นอบัตินั้นได้หรือในขณะที่ต้องอบัตรตงไกยเสร็จนั้นยังไม่ถูกสองหลอกเขมกรรมภายหลังมาถูกสองโลอกเขมรกรรมคลั้น ทรงระงับโอเคในากรรมแล้วก็ต้องอยู่ประพฤติวุฒานวิธีจึงจะโค่นอาบัตินั้นได้เนี่ยนันก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันอาบัตทางการธิเศษนี้ก็เป็นอาบัติที่หนักในในฝ่ายที่แก้ไขได้อภิสุต้องครุกรรมบัตแล้วประพฤติวุฒานวิธีตั้งแต่ต้นจนถึงอาภารเป็นที่สุดชื่อว่าเป็นผู้ออกจากอาบัตินั้นกลับเป็นปกตะอภิสุขอย่างเดิมอย่างนี้อาบัติหรืออาัตตาที่ก่อระงับด้วยสมสมุขาวินยัย และปฏิญญาตะระณะส ม, มุขาวินัยในอธิการนี้ก็ครอบองค์สี่คือสังฆะส ม, มุคตาพร้อมต่อหน้าสงฆ์ธรรมะส ม, มุขาตาพร้อมต่อหน้าธรรมวินัยยะส ม, มุขาตาพร้อมต่อหน้าวินยัยและก็บุคละส ม, มุขาตาพร้อมต่อหน้าบุคคล <c oughs> ทีนเราก็มาพูดมาศึกษาวิธีนะครับเล่าหุ ก, กาบัต ด, ด้วยตินะวันธารกะวิธี การแสดงอหลกาบัติด้วยติ น, นะวัฏฐรกะวิธีนั้นก็คือการไม่สะสางถึงความหลังว่าใครเป็นผู้ทําผิดเพียงไรตัดตอนยกเลิกเสียแปลตามชื่อว่าดุดกลบไว้ด้วยยาเป็นกิจอันจะพึงทําต่อเมื่อมีพิสุหลายมากในกันเกิดทะเลาะวิวาทกันต่างประพฤติอัชาจารย์ไม่สมควรแก่สมณนะเป็นอันมาก ต่างกล่าวชักกันนะต่างสาวคัดกันถ้าจะปรับให้การและกกันตลอดเอ่าให้การและกันแล้วก็แสดงอาบัตอธิการก็จะพึงรุนแรงยิ่งขึ้นนะเออธิกรนี้ก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นการระงับอาบัติอาปตาอธิกรด้วยตินหน้าวตารกาวิธีนั้นท่านกล่าวไว้อย่างนี้อาภิสุทั้งหลายพึงประชุมกันในที่แห่งเดียวกันนะ ประชุมในที่แห่งเดียวกันทั้งมวลเลยอภิกษุรูปหนึ่งผู้ฉลาดสามารถก็เพึงสวดประกาศด้วยยันติจตุตกรรมเพื่อ ร, งระงับอาปันตาติกรนั้นด้วยตินวัฏฐารกะวิธีในลําดับนั้นอภิสูรอีกรูปหนึ่งแห่งอีกภิสูุฝ่ายหนึ่งพึงประกาศฝ่ายของตนด้วยยันติกกรรมขออนุมัติเพื่อเป็นผู้แสดงอาแทนซึ่งอาบาดฝ่ายของตนและก็ของตนเอง ด้วยตินนวัถารกาศวิธีอีกฝ่ายหนึ่งก็พึงทำเหมือนกันแล้วต่างฝ่ายก็พึงสวดประกาศด้วยยัติทุติยกรรมาวาจาสแสดงอาบัตินั้นแทนฝ่ายของตนของตนในถ้ำกลางสมด้วยตินนวัถารกาศวิธีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอาบัตินี่พ้นแล้วจากอาบัติเหล่านั้นเว้นอาบัติที่เป็นโทษลำ่ำอาบัติ ที่เนื่องด้วยครหัตเว้นผู้แสดงความเห็นแยงเว้นผู้ไม่ได้อยู่ในที่นั้นอันนี้ก็หมายถึงอา บ, บัตบางอย่างที่เป็นละหุกาบัตบางอย่างที่เป็นละหูกาบัตคืออาบัตเบานี่ถ้าหากว่าต้องอด้วยเหตุที่เกิดการทะเลาะวิวาทนะต้องอาบัตเหล่านั้นพร้อมกันเป็นจำนวนมากมาก ก็จะระงับด้วยวิธีอื่นนั้นลําบากก็มีพุทธบัญญัติให้ <c oughs> และก็อนุญาตให้ระงับด้วยวิธีที่เรียกว่าตินนวัตธารกะวิธีคือกลบไว้ด้วยญา่าไม่สาวหาเรื่องราวต่างๆเรื่องที่เป็นมาแล้วก็ขอให้มันแล้วไปเรื่องที่มีมาแล้วก็ให้มันแล้วไปไม่กล่าวซัดหากันและกันอันจะเป็นให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นอ่าเมื่อไม่กล่าวเช่นนั้นแล้วก็ใช้วิธีระงับ ซึ่งวิธีนี้เราก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรก็จะต้องให้ส่งฆทั้งสองฝ่ายที่เอพิสูจน์ทั้งสองฝ่ายที่เกิดเการทะเลาะวิวาสกันนั้นประชุมพร้อมกันเอในสีมาในที่เดียวกันเมื่อประชุมกันแล้วให้รูปหนึ่งที่มีความสามารถความฉลาดได้ตั้งยติประกาศพระเดียงส่งให้ทราบว่าจะทําอะไรแล้วฝ่ายหนึ่งก็ มีผู้แทนอีกองค์หนึ่งขึ้นมาตั้งยติแล้วก็ประกาศว่าจะทำอะไรเสร็จแล้วทั้งสองฝ่ายก็ประกาศด้วยยติสุติกรรมอาวัจจาในการที่จะแสดงอาบัติแทนฝ่ายตนของตนเองออันนี้จึงจะสามารถระงับด้วยวิธีการกลบไว้ด้วยย่าได้ไม่สาวหาเรื่องราวกันต่อไปซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีการ อปฏิบัติมากนักในเรื่องของตินนทวัฏฐานะวิธีนี้แต่เราก็ต้องศึกษาเพราะว่ามีอยู่ในพระวินัยที่พระพุทธองค์ท่านทรงสแสดงชี้แจงเอาไว้เราก็ต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจแ้่เกิดมีใครมาถามหรือถามว่าตินนฐาวัรารกะวิธีนั้นเ อ, อจะพึงระงับด้วยการทํากันอย่างไรแลือ ว, ว่าอวบชนิดนี้เป็นอวบอย่างไร อ, อ อาบัติที่ระงับนี้ต้องเป็นอาบัติที่มีโทษไม่มากนะมีเป็นอาบัตระหูกาบัตถ้าเป็นอาบัติที่มีโทษมากอาบัติที่มีโทษล่ำที่อบัตทางคนิเศสนี้จะระงับด้วยวิธีนี้นั้นไม่ได้นแล้วก็อาบัติที่เลื่องด้วยกระหัสน์คำว่าอาบัติที่เลื่องด้วยกรหัสน์นี่เช่นกล่าวไว้ในการกล่าวประจบประแจงกระหัสน์เคลียบกับทุสร้ายตระกูลอประจบประแจงกระหัสด้วยประการต่างๆนั้นก็ จะมาระงับด้วยวิธีนี้ก็ท่านบอกว่าไม่ควรหรื อ, อ, อมีผู้แสดงความเห็นแย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่อาจสามารถที่จะระงับได้ถ้าเกิดว่าระงับแล้วมีใครเห็นแยง้งขัดข้าดอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันหรือ อ, อผู้ที่ก่อเรื่องนั้นไม่ได้อยู่ในที่นั้นก็ไม่อาจระงับได้เหมือนกันฉะนั้นการระงับด้วยวิธีตินนวัฏารกะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง อซึ่งมีอยู่ในพระวินัยที่เออส ง, งับอธิกรซึ่งเป็นอปัตติกรที่เกี่ยวกับระหุกาบัตนะอาบัติพ้นด้วยตินนะวัฏารกาวิธีนี้อนะคือพ้นไม่ได้ตามอญญาานะิตกถานิตกถาท่านบอกว่าอาบัติที่เป็นโทษล่ํานั้นเอก็คืออาบัติปารชิกกับอาบัติสังคติเศสนี้ในตามในอัญญตกถาอาบัติปาราชิกกับสังคธิเศสนั้นจะระ ง, งับด้วยตินนะวัฏาระกะวิธี ไม่พ้นเนถ้าไม่พ้นอภารชิกนี่ถ้าว่ากันแล้วก็ไม่มีทางพ้นเลยเพราะว่าขาดจากการเป็นภิกษุแล้วนะเช่นภิกษเุเสฟเมทุนก็ขาดจากภิกษุภิกษุถือเอาของเขาที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยเรียกว่าถือเอาด้วยอาการแห่งขโมยห้ามาศุคือบาทหนึ่งขึ้นไป หรือพิสูจฆ่ามนุษย์ให้ตายหรือพิสูพูดอุดพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปาราชิกจะไปแก้ไขด้วยวิธีการออยู่ปริวัติคดีหรือพิธีการถั ง, งับด้วยตินะวัฏารกาวิธีคดีหรือแสดงนั้นก็ดีไม่ได้ทั้งสิน้นนั้นก็เป็นอนบัต ท, ที่โทษมากโทษล่ํานะไม่อาจสามารถที่แก้ไขได้แต่ส่วาบัตสักาทิเศษนั้นก็ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เอกันที่อ เรามาแล้วที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนั้นว่าระงรับได้โดยการประพฤติธุถานวิธีนั้นระงรับด้วยวิธีตินนะวัฏฐานะวิธีไม่ได้เนี่ยอันประการที่สองอหบาด ท, ที่เนื่องด้วยการหัสซึ่งน่าได้กถาทั้งกล่าวว่าได้แก่การด่าคารหัสรับปฏิญญาอันเป็นธรรมของเขาแล้วทําให้คลาดซึ่งเรียกว่าปฏิสวาเนี่ยจะระงรับด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะไปดูไปด่าการรหัสเปรียบรปอยการรหัสยุโยงให้การรหัสเขาแตกกันเอ่อ ต่างๆเนี่ยขาดลาบเขาอะไรต่างๆนั้นก็จะมาระงับด้วยวิธีนี้ก็ไม่ได้อาปัตตาที่ก่อนในเรื่องนี้ระงับด้วยสมถะสองคือสมุขขาววินัยะระเบียบอันพึงทําในที่พร้อมหน้าในอธิการนี้ก็พร้อมด้วยองค์สี่คือสังฆาสมุขตาธรร ม, ส ม, สมะสมุขตาวินัยยะสมุขตาบุคลาสมุขตาสองตินะวัฏฐานะวิธี นาตินะวัตะกาวินัยดุดกลบไปด้วยยากแน่คือระงับด้วยสมถะสองอย่าง อ, อฉะนั้นอาบัตต่างๆที่ภิกษุต้องนั้นในการนี้เราก็ได้ศึกษามาเกี่ยวกับอาบัตต่างๆซึ่งเป็นอาปตตาตติกรเมื่อเกิดขึ้นแกภิกษุแล้วก็จำเป็นจะต้อง ชำระสะสางระ ง, งับเสียจึงจะเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้นั้นเรื่องอวบัต์นั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้ เ, เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ท่านทรงบัญญัติไว้อย่างไร เ, เรื่องอบัต์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับที่สุผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้เข้าใจถ้าเราศึกษาไม่เข้าใจแล้วก็ จะเป็นเหตุให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายไม่ดีขึ้นมาท่านยังบอกว่าต้องอาบัตแล้วไม่ยอมทำคืนหรือไม่ยอมรับว่าต้องอาบัตเป็นเหตุเสื่อมเสียทึ้งสองอย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นเหตุเสียสินสามัญตาความเป็นผู้มีสินเสมอกันสองเป็นทางแตกสามัคคีคือแต่ความพร้อมเพลี่ยงกันเนี่ยเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียถ้าหากว่า มีอปาตาที่ก่อนเกิดขึ้นแล้วไม่ระงรับไม่ชําระไม่สะสางแล้วก็เสียสินสามมรรตตาคือการปฏิบัติไม่สม่ําเสมอกันอวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีการประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในพระวินัยฝ่ายหนึ่งย่อหย่อนพระวินัยถ้าอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดการรังเกียจกันขึ้นมานะเกิดการรังเกียจกันขึ้นมาเมื่อเกิดการรังเกียจกันขึ้นมาแล้วความผาสุก ข, ของเอ ภิกษุที่อยู่ร่วมกันนั้นก็จะไม่เกิดมนีนี่ก็เรียกว่าเสียสินสามั ญ, ญาตาแล้วนะประพฤติไม่สม่ำเสมอกันคนหนึ่งก็ถือว่าตนประพฤติดีมีความเซ่งครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าตนประพฤติถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นไปตามที่เคยประพฤติปฏิบัติมาก็จะขัดแย้งกันนี่ก็จะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาไม่เสมอภาคในกัน และก็เป็นทางให้เกิดการแตกสามคัคคีคือไม่มีความพร้อมเพียงกันก็ได้กล่าวแล้วในอนุวัตาที่ก่อนว่าการแตกสามัคคีนั้น เ, เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเสียหายแกสังฆมณฑลจนเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงโทษของการทำให้แตกสามัคคีนี้ว่าเป็นโทษมากเป็นอนันตริยกรรม นะเรียกว่าสังฆเพศคือยังสงให้แตกกันยังสงให้แตกกันเนี่ยเป็นบาปหนักเป็นอนันเตเรกกรรมคือกรรมหนักไม่มีระหว่างขั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะต้องไปสู่อบายภูมิทันทีเนี่ยคนที่หรือผู้ที่ทําให้สงเกิดแตกแยกแตกสามัคคีกันนั้นเป็นบาปมากเป็นสังฆเพศเลยทีเดียวนั้นการทําให้เกิดแตกสามัคคีหรือแตกเป็นก๊กเป็นเหลา่า เป็นนานานิกายอะไรต่างๆเนี่ยนั้นเป็นการกระทำบาปที่หนักมากานั้นถ้าหากว่าเกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งละเมิดพุทธบัญญัติต้องอาบัตก็จะต้องรีบแก้ไขถ้าไม่รีบแก้ไขแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดการแตกสามัคคีคือไปตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเป็นนานานิกายเป็นน า, นานาสังวาตขึ้นมาไม่ขึ้นต่อกันเมื่อแยกการทำสังฆบูชแล้ว นะแยกกันไฟละสีรูปขึ้นไฟแล้วทำเอ่อแยกกันทําสังขาโมสดไฟละสีรูปกันแล้วก็นั่นแหละคือการแตกสามัคคีเป็นสังฆเภทแตกกันแล้วเนี่ยเป็นเป็นอนันตรกรรมแล้วแต่ถ้าหากว่ายังไม่แตกกันถึงขั้ดนั้นเป็นแต่เพียงอ่าไม่ถูกกันแต่ยังร่วมสังฆกรรมกันอยู่ก็ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นการเป็นสังฆเพศยังไม่ถือว่าเป็นสังฆเภทแต่ก็เป็นสังฆราชี คือความเร่า้านเห่นสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบาปเหมือนกันน่าเป็นบาปเหมือนกันดฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอปัตติกรคือการต้องอบัตินี่แล้วก็ต้องพิจารณาถึงสภาวะความเป็นอยู่ของตนเองว่า <c oughs> อยู่ในฐานะที่จะต้องระมัดระวังอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่เป็นข้อใหญ่ คืออบัตหนะักนั้นเราจะต้องสามารถระวังเป็นกรณีพิเศษเช่นอบัตปาราชิกหรืออบัตสังฆาทิเศตนั้นเป็นอบัตที่มีโทษมากถ้าเป็นปาราชิกก็โทษจนถึงคอขาดหรือประหารชีวิตหรือขาดจากการเป็นภิกษุไปเสียเลยส่วนสังฆาทิเศตนั้นก็จะต้องสามารถระวางังถ้าหากว่าเราเผลอไผลไปต้องแล้วก็จะต้องประพฤติทรมานตนตามพระวินยัยซึ่งเรียกวันอยู่กรรมก็ลําบากไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แม้แต่อาบาดเล็กน้อยตั้งแต่อาบาดทุรุจใจลงไปก็ต้องระ ม, มัดระวังเหมือนกันเล็กน้อยถ้าต้องบ่อยๆหรือเป็นมากๆขึ้นมันก็มีโทษเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียน่ะได้เหมือนกันก็จะต้องระ ม, มัดระวังเมื่อเพลิดเลไปต้องในสิ่งที่ควรแก้ไขได้เ้าก็รีบแก้ไขจะให้เกิดสินสามัญญาตาเกิดสามคีญญาาสามั ญ, ญ, าาาญาาเกิดความสามะคีสามัญญาตาเกิดทิฏฐิสามัญญตาเกิดความสามะคีปรองรังกันก็จะทําให้สังขารมลทน <c oughs> นั้นมีความเป็ น, นระเบียบเรียบร้อยและก็เป็นที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งต่อไป <c oughs> ก็เป็นการช่วยกันจันร์ลงพระพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนอา่าสืบต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนผู้เกิดมาในภายหลังนั่นเองเอลนะครับเราก็ได้ศึกษามาในการนี้คือการเกี่ยวกับอปารต ท, ทีกรมาพอสมควรแล้วก็พอดีเวลาของเราก็ได้สิ้นสุดยุติลงแล้วก็ข อ, ขอความสุขความสวัสดี จงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายที่ได้ตั้งกิจตั้งใจศึกษามาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบถูกต้องตามธํานองครองธรรมแล้วไซก็ขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จดังความมุ่ง ม, มากปรารถนาจงทุกประการเถืน